ผมเองยังมีรถเข็นเลยเพราะด้นการขับรถแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องมีสติก่อนที่จะสตาร์ทให้รู้ทันว่าปลดเกลียวว่างหรือยางอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมีสติก่อนแล้วเราก็ขับรถ ด, ด้วยสติควบคุมกายควบคุมจิตใจสติเป็นพวกควบคุมเราขับรถไปอาจจะมีเสียงแตรดังมาข้างหลังใช่ไหม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 รู้เอาไว้เฉยๆติดไฟแดงติดสี่แยกหรือมีรถติดมากมายก็สังเกตที่ใจเรามันจะเกิดที่ใจเราเนะความงุญหจิตพยายามให้มีสติรู้อยู่ตรงนั้นแลวอาการกุญจิตนั้นก็จะหายไปอย่าไปคิดปรุงแต่งต่อเติมเดี๋ยวมันจะทุกข์มากกว่านี้หรือบางทีอาจจะอยู่ที่บ้านอยู่กับตัวเราเนี่ยอยู่กับกายอยู่กับใจเราเนี่ยอาจจะมีความทุกข์กบ ว, วทนา ความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ย่อมมีขึ้นกับพวกทุกคนเป็นเรื่องธรรมชาติความเจ็บไข้ได้ป่วยปวดนิ้วปวดมือได้รับอุบัติเหตุนีก็ต้องมีสติรู้ให้ทันมันรู้สิว่าทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันทําให้ใจเราเป็นทุกข์ไหมสังเกต ด, ดูดูใจเราก็ไนดะ้ถ้าใจเราไม่ทุกข์แล้วก่อนเนี่ยแสดงว่าเราไม่แบกโลกเอาไว้ไม่แบกโลกของทุกขเวทนาไว้เป็นเพียงแค่ผู้ดู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 ลอลิงสละโอกอากับโลกโลกคืออารมณ์ที่มากระทบจิตใจเราจะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีอันนี้คือโลกถ้าเรามีสติเข้าไปรู้เท่าทานอารมณ์เหล่า น, นั้นเป็นผู้ดูเนี่ยอันนี้แหละเราก็เป็นผู้ดูโลกแต่ถ้าเราเข้าไปเป็นกับอารมณ์ต่างๆห ง, งดหงิดปิดอัดคัดเครื่องเนี่ย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 มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทก็คือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสตินั่นเอง